บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงอวิชชาคือความไม่รู้จริงหรือความไม่รู้ในอริยมรรคในองค์แปดประการซึ่งผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่า อวิชาที่ปรากฏออกมาก็คือความเห็นผิดกับความคิดผิดในที่ในขณะที่ความเห็นชอบกับความดำริชอบเป็นเรื่องของวิชาคือความรู้ความเห็นผิดความดำริำผิดก็เป็นเรื่องของอวิชาคือความไม่รู้ในจากนั้นทั้งหมดในองมักก็กลายเป็นมิจฉามักที่แปลว่า ทางดําเนินในทางที่ผิดเพราะคนเราถ้าเห็นผิดคิดผิดแล้วต่อไปมันก็ผิดหมดเนื่องจากจิตเป็นตัวเห็นเป็นตัวคิดการกระทําการพูดของเราสืบเนื่องมาจากจิตว่ผิดที่จิตการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ผิดตามไปแรื่การทั้งหลายภายในจิต ก็จะผิดตามไปด้วยลักษณะเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกับที่ส่งแสดงถึงการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเราปลูกพืชชนิดนั้นลงไปแล้วจากโคนพืชจากรากพืชจนถึงปลายพืชมันก็เป็นพืชชนิดเหล่านั้นเราปลูกต้นสะดารากสะดาก็ขมเรือ ยิงใบตลอดถึงยอดมันก็ผมตามไปแล้วนี้ก็คือกระแสะของกุศลนะกุศลที่มันไหลไปเป็นกระแสะเริ่มจากอากุศลต่อไปมันก็เป็นอกุศลไปเรื่อยๆเปิดวายแต่มีความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นคือทำให้อกุศลเรานั้นจางลงไปคล้ายๆกับกระแสะน้ําที่ไหลามาตอนต้นๆอาจจะ ไปเจอก็สิ่งสกปรกมีความขุ่น้นสูงแต่ไหลลงมาประทะกับ น, น้ำสะอาดผสมปนเปนมากับ น, น้ำสะอาดน้ำสะอาดตอง น, นั้นก็จะทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นให้จางลงไปโดยดําดับพอถึงจุดหนึ่งออกไปสู่มหาสมุทรก็กลายเป็นรถชนิดเดียวคือรถเข็ม ธรรมปฏิบัติในทางศาสนาก็มีสายส่งสายที่มีการเปลี่ยนแปลงมันมีกระแสของอีกสิ่งตรงกันข้ามเข้า ม, มาตัดจะในขณะที่ใจไหลไปนในกระแสของกุศลอกุศลเข้า ม, มาตัดทำให้การทำความดีได้ลดน้อยถอยลงไปหรือบางครั้งก็แนวตัดไปตัดมาเป็นวิถีชีวิตแบบของพระองค์ุริมาน ที่เราพูดกันว่าช่วยเจตีดีเจตโทนถึงถ้าเรามองไปถึงพื้นจิตแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงมาเกิดขึ้นภายในจิตของท่านมีความเห็นชอบเป็นความเห็นผิดเป็นตัวนําสร้างวิถีชีวิตของท่านให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ดีที่ท่านมาจบลงด้วยความเห็นชอบที่สมบูรณ์ทําให้ความคิดเป็นต้นของท่านก่อ ชอบตามไปด้วยเป็นพระยาบุคคลระดับอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเป็นอรหันต์ที่รับการยกย่องจากพระพุทธเจา้าที่เรียกวเอตะเตะคะเพราะจะเห็นว่าเมื่อเห็นผิดความคิดก็ผิดการพูดที่เป็นมุตวจีทุจริตนั้นเป็นการนำภัยนำอันตรายมาสู่ตัวเอง นำความสูญเสียเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเพราะความเห็นผิดชนิดมือบดอจริงๆเรียกว่าเป็นอาการของโมหะที่แรงชนิดที่เรียกว่าไม่รู้บาปุญคุณนโทษนั้นมันก็เป็นระดับของสัตว์ทีรชจติแต่คนเราส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่รู้ไม่จริง หมายความมารู้เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นดีอยู่พิยงแต่ว่าไม่สามารถจะลดละกา ร, รปฏิบัติเช่นนั้นได้แม้บางครั้งบางคราวจะรับผลจากการกระทําผิดในลักษณะนั้นตอนแล้วครั้งเล่าเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง คนบางคนอาจจะประสบปัญหาเพราะการพูดเทศซ้ำซ้ำซักษ่าพูดสอเ ส, สียดซ้ำซ้ำซักษ่าพูดคำหยาบซ้ำซ้ำซักซาพูดเพื่อเจอกัหลายๆซ้ำซ้ำซักซาแต่ประาดสมเนจรู้ที่ท่านเรียกว่าขาดความสำนึกกลับจำก็เป็นเช่นนั้นมาได้ด้วยเราพบคนที่ตกเป็นทาสของสุราประสบปัญหาจากการดื่มสุรา จนบางครั้งก็กลายเป็นโรคปิสุราชเรื้อรังแต่ก็ไม่ยังไม่เลิกดื่มสุราแสดงเห็นว่าตัวความรู้ของเขามีเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ช่วเหลือตัวเองได้และโทษของทุจริตที่พระเจ้ญญาทรงแสดงเอาไว้มันก็เห็นกันได้ทั้งในขณะนั้ น, น, นและในขณะต่ อ, ตอไป ก็เพียงแต่บุคคลได้ใช้ปัญญาระดับหนึ่งใช้ศรัทธาระดับหนึ่งมาคุ้มครองตัวเองได้แล้วอย่างเช่นโทษของการละเมิดศีลบทบัญญัติของศีลึงตังเกตว่าบทบัญญัติของศีลนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมะตัวการฆ่าการรักนั้นมันผิดธรรมะผิดธรรมะโดยสภาพ ไม่ได้เกี่ยวกับใครทำที่ไหนเมื่อไรแกใครอย่างไรพูะเจ้าจะทรงแสดงหรือไม่แสดงศัตรูหรือไม่ศัตรูไอบาปมันก็เป็นบาปอย่างนง้นเองเพียงแต่ว่าพระเจ้ามาแสดงไว้หลายชั้นในชั้นก็ศีลที่จริงก็เป็นบทปัญญัติใยชั้นก็ธรรมะก็คือเมตตา ภาษาเรียกไม่ตาจะเรียกยังไงก็ได้ก็คืออาจารยอาการที่จิตมุ่งดีปรารถนานดีต่อคนอื่นสัตย์อื่นตัวเองไม่ประพฤติกระทําในลักษณะที่เป็นการเบียดเบีย น, ป ร, ยนประทุสรายคนอื่นสัตย์อื่นเป็นเรื่องโมโนธรรมสานึกเป็นเรื่องจิตสํานึกที่มีสากลทุกทั่วไปทุกยุคทุกสมัยกุศล จ, จะเกิดหรือไม่เกิดนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่เพื่อต้องการจะป้องกันบุคคลทั้งหลายให้ไม่ประสบความเดือดร้อนมากเกินไป จึงกลายเป็นบทบัญยัติของศีลและทางบ้านเมืองก็กลายเป็นบทบัญญัติของกฎหมายด้วยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือต้องการให้บุคคลในการสารวมระวังในการพูดเพื่อไม่ให้คำพูดนั้นสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและสร้างความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกของสังคมเป็นเรื่องที่คิดง่ายดูง่าย เมื่อทําไปแล้วจะนําความเดือดร้อนมาให้อย่างชัดเจนพระเจ้าก็ทรงแสดงโทษของวจีทุจริตเอาไว้เช่นคนที่พูดวจีทุจริตบางครั้งอย่ารับสั่งรวมรวมว่าคนพูดเท็ตนั้นจะไม่ทำบาปอย่างอื่นไปนั้นไม่มีหรอกเพราะจะเริ่มีิเทศได้ต่อไปก็ทําบาปอย่างอื่นได้ แต่คนที่ไม่ยอมรับบาปบุญคุณโทษหรือไม่สำนึกหลับจำในเรื่องที่เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นภยัยแล้วก็คงพูดคงทำไปทาทางที่อสอนปัคพางปุ๊บก็เข้าใจทันทีรวยชื่อเสียงในทางไม่ดีเสื่อมเสียเป็นคนโกหกหลอกลวงเชื่อถือไม่ได้ก็ปรากฏในหมู่ชนทั้งหลาย เวีเข้าไปในสมาคมใดก็เป็นที่รังเกียจไม่พอใจหวาด แ, แวงของบุคคลทั้งหลายลก็เป็นประสบการณ์ตรงของคนเหล่านั้นที่เขาประสบเพราะเห็นแต่เพราะเขาไม่ยอมรับความบกพร่องภายในตัวเองก็จะโยนความผิดเหล่านั้นให้แก่บุคคลในเกศสังคมตํานองกลๆกับหาเรื่องรังแกเบียดเบียนรัศดรไร้เขา หรือว่าจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองกลัวจะถูกจับได้ลายทันเรียกว่ามีความเรื้อรอนใจวิตกกังวลไม่โอหัดราหายในสมาคมทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนแต่ละคนสัมผัสได้ถ้าหากว่าเราเป็นคนวจีทุจริตแต่จิตสักนึกกลาบจำแต่จะงดเว้นจะสำรวมระวังก็ไม่มีจะาถามว่าเขารู้ไหมเราก็ตอบว่ารู้เพียงแต่รู้ไม่จริงคือรู้แล้วเอาตัวรอดไม่ได้ ในตอนนี้ที่จริงเป็นสัมผัสตรงคือใช้ปัญญาระดับตรงๆและเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลกันได้มื่ไม่ยอมเชื่อมโยงก็แก้ปัญหาไม่ได้แในข้อรองสุดท้ายและข้อสุดท้ายที่บอกว่าไม่หลงตายและตายบังเกิดในสุกติในทุกตินั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอสสาศัยความเชื่อในขณะเดียกันก็ไม่ยอมเชื่อพอไม่ยอมเชื่อว่าจีก็ทุจริตตลอดไป แล้วจะประสบภัยอันตรายจากวาจาเป็นพิษแม้ตายไปแล้วก็ประสบผลของบา ป, รปรกรรมเหล่านั้นวิชากรรมต่ตะคือการประพฤติผิดนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแสดงเห็นในการมืดปอดในด้านเหตุผลสติปัญญาจะใช้ใครครวนพินิพิจารณาเพราะทั้งสามประการนั้นทรงแสดงในรูปให้เราคิด เอาใจเขาใส่ใจเราเรียกว่าเทียบเคียงหรือทําตนเป็นอุปมาเป็นความคิดแบบง่ายๆอย่างที่พระเจ้าไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังไล่ตีงูกันอยู่ก็เสด็จเข้าไปสนทนากับเด็กเหล่านั้นสอบถามว่ากำาังทำอะไรกันเด็กเหล่านั้นก็ตอบว่ากําลังตีงูถามว่าตีทําไมเธอก็ตอบไม่ได้พระเจ้าก็ทรงเสริมมโนธรรมสํานึกให้ ว่าสมมติว่าโรงจะตีพวกเด็กเรานั้นบ้างเนี่ยเด็กเราดันจะชอบไหมเด็กก็ตอบได้โดยจิตสนึกธรรมดาธรรมดาว่าไม่ชอบแต่เ่อไม่ชอบแล้วเนี่ยไอ้งูนั่งชอบหรือเปล่าเราไปตีไปประทุษร้ายเขาเด็กก็เกิดความเข้าใจเพราะาเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองจะคิดโดยสูตรเช่นเดียวกันเดียว่าคิดใจเขาใจเราเช่นเดียวกัน และที่จริงคนคิดได้แม้แต่โจรรายเคยเคยฆ่าคนอื่นเรียกว่าตาไม่กระพริบพอกรับสนองเข้าจนถูกศาลตัดสินในประหารชีวิตก็แสดงความหวาดกลัวให้เห็นได้ชัดเจนและแม้แต่การกระทำของตนเองถูกชาวบ้านก็จับได้หลายฐานเจ้าหน้าที่จับได้หลายฐานก็เกิดความหวาดกลัว เกิดอาการสะดุ้งเกิดตัวนสั่นก็อ้อนวอนขอร้องและด้วยวิธีการต่า ง, างๆเพื่อให้ยกโทษให้แก่เขากาแสดงก็เข้าใจว่าชีวิตแต่และชีวิตนั้นเป็นที่รักของเจ้าของชีวิตแต่ไม่สามารถจะทําจิตใจให้เกิดอภิบาลดูแลใจใส่คุ้มครองป้องกันชีวิตของบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุดเราเองจะไม่ทําลายชีวิตทรัพย์สินผคุ้มครองของบุคคลอื่น วันวิชาส่วนนี้ที่จริงก็คือรู้ไม่จริงเป็นพลังของปัญญาที่ไม่เพิ่มมากพอจนถึงกับคุ้มครองตัวเองได้เป็นภาพของคนที่ตกลงไปในกระแสน้าที่จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาประคองตัวได้ระยะหนึ่งแล้วก็จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นภาพที่มีความเสี่ยงสูง เราเห็นว่าคนตกอยู่ในกะระแสน้ําอย่างนั้นเสียงเป็นเสี่ยงตายเรียกว่า50 50้าโอกาสที่จะตายมันก็มีมากกว่าการดำเนินชีวิตของบุคคลเราที่ลักษณะลุ่มๆนนนนขึ้นๆลงๆก็เป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะจิตจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระแสของอกุศลจนเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้มากขึ้นภายในจิตใจของตนก็จะมีได้ง่ายขึ้น ดังันตรงนี้ก็คืออวิชาที่เรียกว่ารู้ไม่จริงในการเล่นชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันครนนี้เพิงสังเกตว่าปัญหาใหญ่ในการดํารงชีวิตเราพูดถึงปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเราพูดปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตที่ทรัพย์สินเราพูดปัญหาเรื่องโง่จนเจ็บการขาดวางขาดการวางแผนครอบครัว เป็นปัญหาที่ไม่ใช่กำปัญนทุกดินคือทุกเมื่อไรมันก็ถูกทุกทีย้อนประวัติศาสตร์ไปอีกอีกอีกกี่พันปีก็ได้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บมีลูกมากเกินไปปัญหาจากรรมต่างๆมันมีมาตลอดจนบางครั้งบางคราวมีการยื้อแจ้งต่อสู้ทำศึกสงครามกัน เราเหนว่าสุสงครามนั้นบางครั้งประเด็นที่ยกขึ้นมาต่อสู้กันอาจจะเป็นเรื่องผู้หญิงอาจจะเป็นเรื่องดินแดนอาจจะ เ, เรื่องทรัพย์สินอา จ, จเป็นเรื่องความขัดแยง้งคือโกรธกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ดึงคนอื่นเข้ามาต่อสู้กันถามความคิดตรง น, นี้ถูกหรือผิดเป็นความคิดที่ผิด แม้แต่ทะเลาะกันเป็นการส่วนตัวก็ผิดแล้วแต่กลับดึงคนอื่นเข้าไปต่อสู้แทนตัวเองจนคนอื่นต้องล้มหายตายจากไปพระคราครอบครัวร ว, วงศาคณะญาตินำความเดือดร้อนมาสู่คนอื่นอีกเป็นนั้นมากก็เป็นความคิดที่ผิดแต่ว่าคนก็มีการทำกัน ปัจจุบันโลกก้าวหน้าไปจนถึงโลกาพิวัติแล้วปัจจุบันก็มีสำนวนใหม่เกิดขึ้นว่าโลกาพิวัติวัฒนาแล้วแต่ว่าจึงความรุนแรงเหล่านี้ก็คงมีอยู่หาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคำพูดสวยหรูใดประการใดไหมตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโลกคือมูสัตย์ยังมีวิชาคู่พอเหตุผลสติปัญญาเอาไว้มันก็แสดงเหตุผลสติปัญญาตรงนี้ออกมาไม่ได้ ปัญหาการเลี้ยงชีพจงกลายเป็นปัญหาใหญ่กุยะทรงแสดงว่าเป็นอริยวงคือเป็นวงของผู้ประเสริฐเป็นวงของภรอริยะที่จะต้องมองเรื่องปัจเจ sĩ ให้ชัดเจนอย่าเป็นธาตปัจเจ sĩ อย่าทําบาปเพราะปัจเจ sĩ เพราะปัจเจ sĩ นั้นเป็นเครื่องอาศัยโกครั้งโชคราวประเดี๋ยวประเดาอย่างมากที่สุดก็ช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นเอง แต่บาปนั้นจะอยู่กับเรานานบาปที่เกิดจากความอยากการสแสวงหาการได้มาการถือครองปัจจัย่ในทางที่ไม่สุดจริญเป็นบาปที่ติ ด, ตดจิตใจติดตามเราไปทําเราเงาติดติดตามบุคคลไปทรงอุปมาบาปเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อที่ติดตามคนไปข้างหลังข้างหลังได้จังหวะได้โอกาสเมื่อไรก็กัดเมื่อนั้น และศาสตร์ใดที่ผลบาปยังไม่หมดเราจะต้องตอบสนองบาปกรรมเหล่าดั้นกันตลอดไปบางครั้งบางคราวเป็นการจองเวรจองกรรมกันคราวนี้ไปสังเกตดูย่างที่เคยเล่าพระโตมิเหตุที่พระเทวทัตกับองคุตเจ้าได้ก่ อ, อาการอาคาตพยาบาทกันเป็นความอาคาดพยาบาทเฉพาะตัวของเทวทัตเอง เนความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เล็กน้อยและะเห็นาการของวิชาชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความไม่มีผลเป็นการร้ายเหตุผลโดยแท้เป็นเรื่องของพ่อค้าซื้อลูก ป, ปัดสองคนคนหนึ่งไปเจอถาดทองคําแต่ต้องการจะกดราคาต้องการจะหลอกลวงคนอื่นก็ปฏิเสธไม่ยอมรับค่าของทองคําอำนั้น โดยหวังว่ายั่เขาอยากมากมากิ่งขึ้นเลยจะให้ลูกปัดทักชิ้นสองชิ้นเลยจะยึดตัวถาดทองคําไปเป็นการต้องการได้โดยไม่ต้องการเสียซึ่งมันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะจริงแล้วชีวิตเรานั้นไม่มีอะไรที่ได้โดยไม่ต้องเสียหรือเสียโดยไม่ได้อะไรเลย มันต้องมีได้กับมีเสียอยู่ตลอดแม้ลมหายใจเข้าออกก็มีทั้งได้ทั้งเสียอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มีทั้งได้ทั้งเสียทุกอย่างมีทั้งได้ทั้งเสียเพียงแต่ได้มันมากกว่าเสียเท่านั้นเองโลกจึงอยู่ได้ต้นความคิดในแนวนี้แสดงให้เห็นถึงความคับแคบในด้านจิตใจความขาดเหตุผลสติปัญญาในการตรวจสอบตัดสิน แต่เมื่อพ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนซื่อสัสจจุิตมาบอกตามความเป็นจริงแล้วก็ได้ถาดทองคำนั้นไปก็เป็นเรื่องระหว่างพ่อค้าคนนั้นกับเจ้าของถาดทองคำแต่ตัวเกิดริศยาเกิดเสียดายระบายอะไรแกใครไม่ได้ก็โกรธคนอื่นซึ่งไม่รู้หน่ยนี่เลยแล้วกลายเป็นความพยาบาทภายในใจจนมุ่งจองล่างจองผานกันกับเทากับมาเลซายโดยตัวเองกอกขึ้นมาแล้วก็โปรลงไป จำนวนมหาศา์มากเพราะวิชามันมากความเข้มข้นของกิเลสก็ามากขึ้นแม้แต่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏในขณะที่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้คิดอาฆาตจองล้างจองพรานปรมีบารมีเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงไปดีเ่อย จุดถึงจดุดหนึงออกบวชบาเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันอีกคนหนึ่งซึ่งมีความมาฆาตพยาบาทจองเวรคือประเทวทัศน์นั้นก็ออกบวชเช่นเดียวกันเกิดในสกุลกษัตริย์เช่นเดียวกันออกบวชเช่นเดียวกันแต่บวชไปแล้วแทนที่จะเพิ่มบุญกลับเพิ่มบาปรุนแรงมากยิ่งขึ้นจบโดยชีวิตหลังตายว่าคนที่มากไปเลยกิเลสนั้นตกนรกมหาเวจีตลอดการยาวนานมากๆ ในขณะที่คนหนึ่งหมดกิเลสไปเลยบรรลุมคผลเป็นพระพุทธเจ้าผลตัวอย่างตรงนี้เป็นการชี้เห็นถึงการมองโลกมองชีวิตในแง่ที่อิงอาศัยปัญญาหรืออิงอาศัยอวิชชาแต่อิงอาศัยปัญญาปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นทำนองกระกองไฟเล็กๆแล้วก็มีเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเปลไม้สูงขึ้น ประจัดความหนาวเย็นได้มากยิ่งขึ้นแผ่รังสีความร้อนกระจายออกไปมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ให้แสงสว่างที่ไกลออกไปได้โดยกหลังเ้องความเห็นผิดจึงสืบเนื้อที่สืบเนื้อมาจากวิชาจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการสแสวงหาปัจจัยในการรับปัจจัยสี่พรเจ้าทรงสอนให้บุคคลคิดโดยหยุดความอยากเอาไว้ ยาถึงที่อยากจงเกินไปแล้วมีวิธีการควบคุมต่างๆเปน็นอันมากท่านสาธารณชนทั้งหลายลองสังเกตว่าพระเจ้าทรงสร้างสังคมที่เป็นตัวอย่างขึ้นมาในการแสวงหาปัจเจศกำหนดข น, ดขนาดของกุฏิเอาไว้กำหนดจำนวนเครื่องนุ่งห่มเอาไว้กำหนดขนาดบาทที่จะรับอาหารจากชาวบ้านเอาไว้ กำหนดความสามารถในการขาจัดโรคด้วยยาระดับต่างๆแม้แต่ ย, ยาดองในน้ำมดูดนาวโดยทรงนี้เว่ามันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดรงชีวิตในขณะเดียวกันก็ปรับจิตยอมรับโดยคำบาลีสามคำที่ยิงทำใจยา ก, กาตรงควรท่านบอกว่านิสัตโตนิชีโวสุนโยปัจจัยสีทั้งหลายเป็น า, าเครื่ององที่อยู่อาศัยยาแก้ไข จึงเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตของทุกชีวิตในโลกนี้แม้แต่รพระพุทธเจ้าเองก็เถอดก็ทรงอาศัยปัจจัยสี่เจ็ดเดียวกันแต่ทายังไงจะมองปัจจัยสีตั้งแต่ต้นในเข้าใจว่านิสโตคือไม่ใช่สัตว์นิจีโวคือไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ชีวิตสุนโดคือว่างเปล่าอาหารได้รับประทานเข้าไปดูเมื่อค่ยเป็นชิ้เป็นอันหน่อยก็รู้สึกอิ่มรู้สึกขจัดหีวออกไปมีเรียบมีแรงเพิ่มขึ้น ไม่เท่าไร่หายหมดแล้วแสดงว่าสภาพของเขาจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะจริงๆเป็นการว่างเปล่าจากสาระแก่นสารแสดงอาการได้เพียงระยะสั้นๆแล้วก็ตายไปกระเวศไปในขณะที่กำลังใช้สอยประเจ็ดสีก็ทรงสอนให้คิดเรียกว่าอริยวงเช่นเดียวกัน ให้มองถึงเจตนาหรืมวตถุประสงค์ในการโลภแค่สอยปัจจัยสี่เกิดจากวัสมเหตุประโยชน์แล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปริดรวนขวขวายเก็บสะสมอะไรไว้มากเกินไปเป็นการคุมใจเอาไว้อย่าถึงกับโลภร่วงไปที่สิทธิของบุคคลอื่นอาจจะมีโลภแต่ไม่ถึงกับไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นก็แสดงว่าอาการทางกายทางวาจาสมบ ใจก็จะลดความรุนแรงของความโลภของอวิชชาลงไปหลังจากบริโภคใช้สอยไปเจ็ดสี่ไปแล้วก็ส่งสอนให้คิดเป็นการมองย้อนกลับถึงสมบัติตรงที่เราได้จากอาหารว่าอาหารนั้นเอาจริงอร่อยยังไงแพงยังไงดีพิเศษยังไงก็ตามมันก็ทําได้แค่ขจัดความหิวกรอบป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงจเจริญเติบโตสามารถปฏิบัติภาร ก, กิจการงา น, งานได้เท่านั้น แล้วเป็นอาหารของร่างกาย ร, ร่างกายบังขาดแคลนอะไรท่าไรอย่างไรมันก็ซึมซับไปเท่านั้นเองนอนนั้นาก็กลายเป็นกากอาหารที่จะต้องมีภา ร, ระในการบำบัดในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากากาอาหารเราดันเพราะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อคนคิดได้อย่างนี้ก็จะไปมองไปที่ตัวสมาธวัด การเลี้ยงชีพเป็นนันมากที่อยู่ในขอบข่ายของวิชาทวกวิชาผลักดันคุ่งพอจิตใจของบุคคลเอาไว้บางทีเราเห็นได้ชัดว่าการสแสวงหาอย่างนี้มันไม่มีอะไรคุ้มเลยมีการฉกชิงวิ่งราวมีการสแสวงหาในทางทุจริตและตัวเองถูกฆ่าตายญาติพี่น้องปล่อยเสื่อมเสียสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้นั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า เป็นการขาดเหตุผลในการสแสวงหาคือเอาชีวิตซึ่งเป็นที่รักนี่ไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่มีค่ามากหนักือเทียบกับชีวิตจะเทียบกันไม่ได้เราดูแลมันก็ภาพของอวิชาที่มีอยู่ในปลาในสัตว์ทั้งหลายที่ถูกล่อด้วยเบ็ดถูกล่อโดยบวงถูกล่อโดยเครื่องดักเครื่องจับทั้งหลายเพราะเพียงอาหารเพียงมื้อเดียวเพียงอิ่มเดียว แต่ก็เสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตเข้าไปพุ๊บเอาเหยื่อหรือมุ่งไปกัดไปแทะอาหารที่เขาวางล่อเอาไว้และในที่สุดตัวเองก็ประสบภัยประสบอันตรายถึงตายภาพของงานดักสัตว์ยางเห็นได้ชัดว่าเป็นอวิชาที่มืดบอดผรักดานให้เกิดความอยากโดยขาดการใครควรพินิจพิจนารณาดู สัตว์เล้ยงก็ตายไปบันทีที่รุนแรงของภาพของแมลงม้าเป็นข้าของฝ่ายหรือภาพของสัตว์ทางหลายที่ตายกันเป็นจํานวนมากเพราะเหตุของอาหารมีการวางยาเบื่อสัตว์แล้วก็สัตว์ไปกินอั น, นแสดงถึงหให้เห็นถึงความไม่รู้และผลักดนให้เกิดความโลภอยากกินโดยไม่ได้มองถึงไฟอันตรายพจนวิชาในขั้นของความ ของการสแสวงหาหรือแม้แต่ความอยากจะักดันให้เกิดความอยากมันก็มีปัญหาในการเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะในชั้นของการสแสวงหานั้นพอหน้ามืดตาลายกัาจริงๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรตังเหตุตึ้งผลอะไรเราพบข่าวคราวการยุยแย่งการทำลายการฆ่าคนชิงทรัพย์การปล้นสะดมมีการเผาทำลายหลักฐานต่าง ของกลุ่มที่ไปสแสวงหามาอย่างนั้นนั้นแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้สร้างบาปสร้างกรรมต่างๆเป็นมากเพื่อผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพฤติกรรมที่พูดกันว่าเป็นอาการของสัตว์เดรัจฉานนั้นที่จริงก็เป็นอาการของคนประเภทที่มีวิชามากมีโลกมากมีโกรธมากมีโลงมากม การแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอํานาจกันเป็นใไ่เป็นอาการความยื้อแย่งที่มีอวิชาปิดบังอยู่ข้างหน้าพราะสิ่งที่ตนยื้อแย่งมานั้นเป็นสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรจริงๆอาหารที่เรากินเป็นการอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ย่อยสลายไปหมดที่ดินที่เราอยู่อยู่อย่างมากก็แค่ตาย พอตายและทุกอย่างก็ทิ้งก็จบคู่ครองก็เป็นการอยู่กันชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชาติหนึ่งคือไม่น่าจะถึงก็ทำความชั่วเพื่อได้ครอบครองเรื่องอน้นในวรรณคดีทั้งหลายเราดูเรื่องราวของรามาเกียรติดูเรื่องราวขุนช้างขุนแผน รุปราวของพระอภัยมณีปัญหาตลอดเป็นปัญหาของการยื้อแย่งการไม่เคารพสิทธิของกันและกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงเพื่อปุนก็โดยระดับดึงวงศสาคณะญาติตายกันเกลื่อนไปหมดมันเกิดจากอะไรเกิดจากกวิชาในการสแสวงหาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นอำนาจทั้งหลายที่บุคคลได้และคิดว่าเข้าใจวาตัวเองได้ ที่จริงแล้วก็เหมือนกับเปลวไฟที่เรามาถือไว้ใกล้ตัวมันถูกเผาดนไว้ตลอดคือร้อนร้อนตลอดครวนี้หากบุคคลได้ใช้ปัญญาตรวจสอบเราแก้ปัญหาได้แต่ปัญญานั้นจะต้องมีปริมาณมากพอมากพอที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องขจัดความไม่รู้อย่างน้อยๆก็ความไม่รู้จริงให้บรรเทาลงไป ในชั้นศีลที่จริงเป็นการพูดระดับบรรเทาอาวิชชาไม่ใช่พูดถึงการดับอวิชชาอาวิชชาไม่ใช่เรื่องง่ายคนนี้จะดับอวิชชาได้มีเฉเพาะปาดาหันเท่านั้นเองธรรมะส่วนใหญ่จึงเป็นการลดความรุนแรงของวิชาท่บนนองใกล้ๆเราอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ว่าทำยังไงให้เดินบนทางท่ามกลางความมืดได้โดยมีแสงสว่างสองนํา ข้างๆตัวมือก็ช่างหรือแก้ไขไกลขนาดนั้นยังไม่ได้แต่ทำยังไงในขณะที่เราเดินไปนั้นมีแสงสว่างรักษักระดับหนึ่งเพื่อสองทางให้ก็จะช่วยเราเดินทางไปโดยความสวัสดีได้ต่มาปฏิบัติในส่วนของสีและสิกขาที่ว่าด้วยสมาวจาสมากรรมตะสมาชีวะก็จะมีลักษณะอย่างนั้น เป็นการลดความรุนแรงของวิชาลดความรุนแรงของโลภะโทสะโมหะลดความรุนแรงของการกระทรมต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสุขต่อไป